ว่าอารหังสัมมาสัมพุทธโทนะโมคราชวายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อคาจะดับจิตลงอย่าให้ไหลหลงขอให้จิตจำนงตรงทาง เร ติโตภคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโฆนะโมค่ะเจ้าอายพระธรรมมัจเอาของพระพุทธทองค์เมื่อข้าอาจจะดับจิตลงอย่าให้อิไลลงขอให้จิตจำนงตรงทางพระนิพพานขอให้ จิตลมอย่า